นี้ต่อไปนะพระ อ, องค์ก็เลยคิดว่าใครนะจะรู้ทั่วถึงทําได้เร็วคิดว่าภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อุปถากเราผู้กําลังบําเพ็ญเพียรอยู่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราเ น, นะเพราะอะไรเพราะคอยปัดกวาดเช็ดถูบริเวณเนี่ยนะคอยดูแลน้ำน้ําสงน้ําฉันน้าใจนั่นดูแลทุกอย่างอุปถากทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอุปการะมากถ้ากระไรเราพึงแสดงธรรมครั้งแรกแก่พวกเธอ เราจึงคิดว่าบัดนี้พิสุปัญจวักคีอยู่ที่ไหนหนอก็รู้ได้ว่าภิกษุปัญจวักคีอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันกรุงพาลณสีด้วยที่พจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุ ข, ของมนุษย์ครั้งนั้นเราอยู่ที่ตําบลอุรุเวลาพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกจากกรุงพาลณสีก็พระพุทธเจ้าประทับอยู่บริเวณแถวต้นโพเนี่ยนะห้าสิบวัน ห้วันเนี่ยถ้าปกติสองเดือนมัน60วันใช่ไหมพระองค์ก็ประทับอยู่บริเวณใกล้ๆที่ตรัสรู้ต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยโนะนนจนวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ดเนี่ยชเช้าพราะองค์ก็เดินทางเลยนะหลังจากบิณฑบาตฉันเสร็จก็เดินทางจากไหนจากตําบลขยาจากเต้นโพไปที่ตําบลขยาจากตาําตบลขยานู่นแหละจะเลยไปที่ที่ไหนที่เมืองพาราณสีตาบลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่เป็นตําบล โอรุเวลาเสนานิคมก็ต้องเดินเดินแวะไปนู่นไปที่ตําบลขยาตาบลขยาทุกวันก็คือจังหวัดขยาเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่จังหวัดขยาทุกวันก็เลยเรียกว่าโพธิโพธิ่ยนะโพธิ์ขยาเนี่ยนะโพธิ์ขยาหรือว่าคนแขกก็เรียกโบขยาโบขยาเนี่ยนะเรียกว่าเขาเรียกโบขยาน่ยนะถ้าจะไปก็เรียกโบขยาาก็ไปฮะ ช่วงนี้เขามีคนไปไหว้เนาะมามาควิสอะไรเนะี่ยคนก็นะชอบไปวิสาขาไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่มันร้อนน่นะทีนี้ระหว่างที่พระองค์เดินทางไปไปพบอุปกะชีวกเขา้าอาชีวกกถามเราว่าอาชีวกกถามผู้มีอายุอินรีของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักเรียกว่าเขาดูแต่หนึ่งแววตาทำไมตาเนี่ยดูช่างผ่องใสเหลือเกินเนี่ยนะเอ่อแววตาแล้วก็ผิวพรรณเนี่ยนะแล้วก็ผิวพรรณที่ ผุดผ่องออกมาเนี่ยเหมือนกับเป็นมีประกายเป็นช่อๆ อ, ออกมาจากตัวเพราะพองมีรัศมีใช่ไหมแววตาก็มีความสุขมากเลยแล้วก็ผิวพรรณก็พรัศมีซ่านออกมาจากตัวเนี่ยนะก็เลยตั้งคําถามถามาท่านบวชเพื่อใครเฉพาะใครเนี่ยบอกว่าท่านบวชเพื่อใครหมายความว่าชีวิตเนี่ยมันต้องมีแบบอะไรนะมีเป้าหมายใช่ไหม ทำทุกอย่างทำเพื่อใครปกติคนจะมีนายใช่ไมมีนายทำงานทาทุกอย่างทำเพื่อนายทำเพื่อศาสดาแล้วตัวท่านอะทำเพื่อใครใครเป็นศาสดาของท่านแล้วท่านชอบใจในธรรมะของใครถามหาศาสดาเลยถามหาลัทธิข้อปฏิบัติในศาสนาของท่านเมื่ออุปกะชีวกถามพระพุทธเจ้ า, าอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสบอกกับบอกกับใครบอกกับอุปกชีวกว่า เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงเรียกว่าวัตตาในภูมิสเนี่ยเราครอบงําเสร็จแล้วเรารู้ธรรมทั้งปวงคือธรรมในภูมิ4ทั้งกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิโล ก, กุตระภูมิเสร็จแล้วเราไม่ติดข้องในธรรมทั้งปวงคือเราไม่ติดข้องในกามาวจรไม่ติดข้องในรูปาวจรไม่ติดข้องในอรูปาวจรเราละละแปลว่าตัดฉั้นธราคะ ในธรรมภูมิสามตัดฉั้นทราคะในกาลมาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิตัดฉันทราคะในฐานอายตนะ่าเสร็จแล้วไปในธรรมที่สิ้นตัณหาคือนิพพานานะนะเราเนี่ยใจน้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาคือพระนิพพานก็คือดำรงอยู่ในพระอารหันต์ทั้งหลายเรารู้ยิ่งด้วยตนเองคือคือ การครอบงำทั้งปวงรู้ทำทั้งปวงไม่ติดข้องในธรรมทั้งปวงตัดฉันทราค่าในธรรมทั้งปวงไปในธรรมที่สิ้นตัญหาคืออรหั ต, ตผลเพราะรู้นิพพานด้วยตนเองแล้วจะ ต, ต้องอ้างใครว่าเป็นอาจารย์บรรลุมรคผลตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองแล้วต้องอ้างใครอาจารย์ของเราไม่มีรคกอาจารย์ที่สอนให้บรรลุมรคผลนิพพานไม่มี ไม่ใชอ่อาจารย์โลกิยะนะอาจารย์ด้านโลคุตระเนี่ยไม่มีอาจารย์ที่สอนสัพพัญยุตยานเราไม่มีอาจารย์ที่สอนอสาธาระยานเราไม่มีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เหมือนกับเราก็ไม่มีไม่มีใครเหมือนเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครเปรียบเทียบกับเราได้แม้แต่คนเหมือนไม่มีแล้วจะเอาใครมาเปรียบเราในโลกพร้อมทั้งเทวโลกอย่าว่านี้เลยเอาเทวดามารพร้อมด้วยมาเปรียบก็ไม่มีใคร เสมอเหมือนเพราะความจริงเราเป็นอรหันต์เป็นเราเนี่ยเป็นพระอรหันต์เรานั้นเป็นพระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเรานี่เป็นเอกเราเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นผู้เย็นเป็นผู้ดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้วนะพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์เป็นอย่งงใช่ไเป็นเป็นอะไร เป็นท่าอาหารไกลาจากกิเลสกําจัดท่าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักควรแก่เครื่องบูชาไม่มีความลับในการกระทําบาปห่างไกลาจากคนชั่วอยู่ใกล้กับคนดีคนดีทั้งหลายเขาไม่ทอดทิ้งอนานะพราองไม่มีบาปธรรมคู่ควรแก่การสรนเสริญเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะและเป็นบุคคลเอกบวชแต่เพียง ผู้เดียวเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เดียวตรัสรู้โดยลำพังพระองค์เดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นเอกเป็นผู้เย็นเย็นเนี่ยแปลว่าดับความร้อนจากราคะดับความร้อนที่เกิดจากโทสะดับความร้อนที่เกิดจากโมหะจึงสงบเยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำเราเนี่ยนะจะไปราชธานีของกรชาวาสีแปว่าไปไปแคว้นกาสีเพื่อประกาศพระธรรมจักร มุนอริยสัจให้เป็นไปธรรมะตัวนั้นคืออริยสัจจักแปล ว, ว่ามุนเราจะไปหมุนอริยสัจให้เป็นไปโดยหมายจะย่ําอมะตะเพรีเสียงกลองแห่งนิพพานนะเราจะไปตีกลองเพื่อให้บรรลุนิพพานในโลกที่มืดมนอยู่ด้วยอวิชชาที่ไม่แทงตลอดอริยสัจจะไปประกาศอริยสัจให้เขาบรรลุมรรคผลนิพพานอุปปากชีวกรถามว่าเหตุใดท่านจึงปฏิญาณว่าเป็นอรหันตสั พระอรหันตัชนะเนี่ยนะเรียกว่าเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้เนี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้ชนะหาที่สุดมิได้ทําไมท่านจึงตอบอย่างนี้ทําไมท่านจึงพูดอย่างนี้เหตุผลละ่ะพระองค์ก็บอกว่าผู้ที่ถึงอาสวัคไขเช่นเราผู้สินาาาาส้นอาสวัคไขอาสวัสิ้นอาสวัคไขเป็นชื่อของอรหัตผลเนี่ยนะผู้ที่เข้าถึงอรหัตผลเช่นเราย่อมเป็นผู้มีนามว่าชินะผู้ชนะชนะอะไรชนะขันธมารกิเลสมารเป็นต้นเนี่ยนะ เพราะเราชนะบาปประธรรมคือชนะบาปชนะราคะชนะโทสะชนะโมหะชนะอุปกิเลตชนะบาปอกุศลทุกอย่างเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าชีนะเพราะชนะบาปนะบาปก็คืออย่างอย่างวิบากที่ไม่น่าต้องการให้เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อต่อไปเราชนะบาปทั้งสิ้นเหล่านั้นแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าผู้ที่สิ้นอาสวัตไขชนะบาปประธรรมก็เรียกว่าชีนะหมดแหละ อุปการชีวกนั้นก็บอกว่าเออเป็นเช่นนั้นนะท่านคือเขายอมรับนะเป็นเช่นนั้นหรือท่านแล้วก็สันศีรษะไอ้สันศีษะเนี่ยแบบคือคือคนแขกเนี่ยยอมรับเขาจะสายหัวสักนิดหนึ่งแล้วก็ไปเนี่ยนะหรือว่าคืออะไรนะคือคือถ้าถ้าดูลีลาแขกเนี่ยสะบัดหัวนิดหนึ่งเคยเห็นไหมแขกสะบัดศีรษะเนี่ยนะเขาเขไม่ไม่เรียกเรียว่าแต่ว่าแบบเขาขาค่าาอยโยกอ่ะนะเขาบอกว่ามเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของแขกเหมือนกันนะแล้วใครเคย ใครดูแขกอะนะเาจะสายหน้านิดหนึ่งแต่ไม่ใช่แบบถ้าสายหน้าแบบบ้านเราแล้วก็สั่นหัวแล้วก็แปลว่าชาตินี้ฉันจะร่วมวงกับเธอไม่ได้หรอกตลอดไปนะนะั่นแหะแต่ถ้าสายหัวแบบแขกเนะี่ยเขาแบบไม่ใช่แบบสายแบบเครียดอะไรนะเขาจะแกว่งหัวนิดหนึ่งซึ่งก็ เ, เ อ, อ่ยอมรับเนี่ยนะนะแล้วก็แยกทางจากไปเนี่ยนะก็เขามีศรัทธามากเลยนะคือคื อ, ค, อคิดดูว่าเขาเขาเห็นเขาชอบพระพุทธเจ้ามากจากคําตอบที่พระพุทธเจ้าตอบเขาประทับใจมาก ตอนหลังเขาทะเลาะกับเมีย น, นี่คิดถึงพระพุทธเจ้าอะคิดดูก็มีเรื่องเล่าว่าอุปกชีวกคนนี้เนี่ยนะหลังจากที่โน่นในหน้า464เนี่ยเรื่องอุปกะชีวกมีว่าอุปกาชีวกเลียกไปยังวังกะหาวังกาหานวังกหานก็บอกว่าไปไปอาศัยหมู่บ้านพรานล่าเนื้อเนี่ยนะไป ทีนี้พวกหัวหน้าพรานล่าเนื้อเน้นับถือเขาเพราะอารหันต์นุ่งลมหมอากาศเนี่ยนะเขก็เริ่มใส่มากเลยก็เลยที่นั้นเนี่ยมีชาวประมงดุร้ายให้เขาอยู่ในภาชนะใบเดียวหมายคือว่าคือบริเวณนั้นเนี่ยยุงชุมมากเลยนะมันจะต้องลงไปนอนในตุ่มนะนอนในตุ่มแล้วก็ปิดข้างบนเนี่ยนะมันก็พออยู่ได้ไม่งั้นเนี่ยแมลงมันชุมมากเลยมันกวนมากก็เลยทีนี้เมื่ อ, อปกติแล้วเขาจะมีธรรมเนียมไปล่าสัตว์ทีละเจดวันเป็นต้น ก็ต้องไปในที่ไกลก็เลยสั่งลูกสาวชื่อว่านาวาท่านในเทรีคถาเรียกว่าจาปานี่ยนะอันเดียวกันนาวาหรือจาปาคนเดียวกันแล้วก็สั่งลูกสาวว่าอย่าประมาทในพาธหัน์ของพวกเราแล้วก็ไปกับบุตรผู้พี่ๆเนี่ยนะคือเขามีลูกหลายคนเนี่ยลูกสาวคนเล็กเฝ้าบ้านไว้ดูแลพารหารันพระธิดาทิดาลูกสาวของพราหมณ์นั้นอนะ่ะเป็นคนที่มีรูปโฉมสวยงามแล้วก็สมบูรณ์ด้วยสัดส่วนนางนี่มีอุปนิสัยอรหัตผล น, นะนางคนนี้นางจาปาคนนี้ วันรุ่งขึ้นอุปะการก็มาอย่างเรือไปพบหญิงรุ่นคนนั้นที่เลี้ยงดูทําการปรนนิบัติทุกอย่างก็เกิดความรักอย่างแรงไม่อาจแม้แต่จะกินนะกินไม่ลงเลยนะเกลือนไม่ลองก็ถือภาชนะอาหารกลับไปวางไว้แล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้นางจ่าปาเป็นภริยาเนี่ยถึงจึงถึงจะมีชีวิตถ้าหมายาว่าได้นางเป็นภริยาจะมีชีวิตถ้าไม่ได้นางก็ขอตายแล้วก็นอนอดอาหารในเจวันเนี่ยนะ ทีนี้นายพรานเนี่ยไปเจ็ดวันกลับมาก็ถามลูกสาวว่าผ้าอรหันของพ่อเป็นยังไงบ้างบอกว่าไม่เคยมาเลยมารับอาหารวันเดียวแล้วก็หายซับไปเลยนะนายพรานก็ยังไม่ได้กลับมาแต่งตัวอะไรเลยเนี่ยนะก็รีบไปหาผ้าอรหันทันทีไปพระท่านเจา้าค่าท่านไม่สบายหรือท่านเป็นอะไรไปหรือประกาศชีวกรรณทอนหายใจกลิ้งเกลือกไปเนี่ยนะก็เลยในที่สุดก็บอกบอ ก, บอกเธอจะทําให้ทุกอย่างเลย ประกาบอกว่าถ้าหากว่าเราได้นางนาวาหรือนางจ่าปาเป็นภริยาก็จะมีชีวิตทําไม่ได้ก็ขอตายที่นี่แหละตายนี่ประเสริฐกว่าเงี้นายพรานก็บอกว่าเออแล้วท่านทําอะไรเป็นบ้างอะ่ะขั้นแรกเลยก็ถามอาชีพเพราะต้องสึกมาก็ต้องมีอาชีพไหมมีศิละปะแปลว่าทําอะไรศิลปะแปลว่าท่านพอจะประกอบอาชีพอะไรได้บ้างเนี่ยบอกทาอะไรไม่เป็นเลยบวชมาตั้งานานแล้วอา้าวท่าไม่รู้แล้วจะอยู่ครองเดือนเลี้ยงบุตรภริยาได้ยังไง ก็บอกเออไม่รู้หรอกแต่ว่ามันพอจะแบกเนื้อเอาไปขายให้ได้นะอันนัท่านเป็นพวกล่าเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวเอาไปขายตลาดให้งี้ทําได้นายพรานนี่ก็เออเขาก็ชอบกิจการของเรานี่ยเขาไม่ได้รังเกียจเราเลยก็เลยมอบผ้าให้พื้นหนึ่งนุ่งแล้วก็ไปมอบลูกสาวให้ก็สมสูก่ก็อยู่ด้วยกันก็ได้ลูกมาคนหนึ่งสองสามีภรรยาก็ตั้งชื่อลูกว่าสุภธธัททะทีนี้ เวลาที่บุตรร้องให้เนี่ยนะเด็กชายสุภัทธร้องให้เมื่อไหร่นางก็จะบอกไอ้เจ้าลูกคนแบกเนื้ อ, อเจ้าลูกปลาเนื้อจะอย่าร้องให้ดังเลยก็เยอะหยัยนร้องเพลงเรียกว่าอะไรนะร้องเพลงกล่อมลูกกระทบผัวได้สองอย่างเลยใช่ไหมได้แคกว่าอะไรนะยิงนกตัวเดียวได้สองตัวไอ้ยิงนัดเดียวได้สองตัวนะคเคริดว่ากล่อมลูกให้นอนไปแล้วก็ด่าผัวอีกต่างหากเลยนะเพราะด่าตรงตรงไม่ได้ผิดธรรมเนียมว่าร้องคิดว่ากล่อมลูกกระทบผัวอยู่นั่นแหละ และทีนี้นางอุปการชีวกด้วยแกก็ไอามานะของชายมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมแม่แม่คนงามเจ้าเข้าใจว่าเราไม่มีที่พึ่งหรือเรามีสหายคนหนึ่งชื่อว่าอนันตชีนะนะเราข้าจะยังสํานักของเขานางจาปานาวา น, นี่ก็อึดอัดสามีมากก็เลยเออได้ช่องตรงนี้แหละก็ว่าไปเรื่อยดากกล่อมลูกกระทบผัวไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ลาลาจะหนีจากไปทีนี้วันนั้นอะจริงๆแล้วพออุปการลาบวชจะหนีจริงๆนางจาปาขอร้อง ร้องให้อ้อนวอนแต่อุปกาก็ไม่สนใจบอกท่านแ่ฉันจะฆ่าลูกของคุณนะบอกเธอจะฆ่าก็ฆ่าเธอหญิงใจดาอมม่เหนะก็ทะเลาะกันแล้วก็จากไปเน่ก็เขาก็มุ่งหน้าไปยังมัชชิมะประเทศเสร็จแล้ววันนั้นพระพุทธเจ้าก็สั่งพระภิกษุไว้ว่าถ้าใครมาถามว่าผู้ใดมาถามหาเราเอาถามหาอนันตชินะท่านจงชี้แจงเขาให้แก่เรา พวกอาชีวกก็แม้อาชีวกก็ถามไปเรื่อยๆว่าอนันตชินะอยู่ไหนเที่ยวหาถามหาเนี่ยนะเพราะตอนนั้นไม่รู้ว่าพระพุทธเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมก็ถามไปถึงเมืองสาวัตถีไปยืนอยู่กลางวิหารถามว่าอนันตชินะอยู่ไหนพิสูจทั้งหลายก็พาเข้าไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าอุปกะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถามว่ า, าพระผู้มีพระภาคเจ้าจำข้าได้ไหมเอออุปกะจำได้สิไปอยู่ไหนมาล่ะก็บอกโน่นไปอยู่วังกหานชนบทเจ้าค้า เออแล้วท่านนะแก่แล้วบวชได้หรือบอกพ่อจะบวชได้พระเจ้าค่าน่ยนะก็เลยพรอองษ์ก็ให้กรรมฐานเนี่ยนะอุปการนั้นก็ทํากิจในกรรมฐานปฏิบัติไม่นานบรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็ทํากาละไปเกิดในสวรรค์ชั้นสุทาวาสคือพรหมชั้นสุทาวาสประเภทอวิหาสุทาวาสมีอยู่หชั้นอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทสีทอากาักนิฐาก็ไปเกิดในพรห ม, มโลกชั้นอวิหาบรรลุพอเกิดใน พรมาโลกบัรฑุเป็นผ้าหาันเลยอิริยาบถนั้นแหละก็บรรลุเป็นผ้าหันต่อเลยคนเจคนเนี่ยนะพอไปเกิดในอวิหะแล้วบรรลุเป็นผ้าหันเลยมีอยู่เจ็ดท่านด้วยกันหนึ่งใครบ้างบอกภิกษุเจรูปพ้นแล้วสิ้นราคะแล้วข้ามกิเลสสั้นไปในโลกเข้าถึงสุดทาวารพรหมชั้นอวิหาแล้วก็บรรฑุเป็นผ้าหาันเลยเนี่ยนะเคนคือใครหนึ่งอุปกะสองปละคันดะสปุกุศาติในท่าพิพังข้างหน้า แล้วก็พัทธิยะคันดเดวะพาหุทัติและปิงคียะเนี่ยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเกิดไปปรินิพานที่สวรรค์ชั้นอวิหาหรือที่พรมชั้นอวิหาทีนี้พูดถึงนางจ่าป่าเนี่ยนะนางจ่าป่าเนี่ยตรวได้สามีจากไปไปบวชตอนหลังก็ได้ข่าวว่าสามีบวชเป็นบรรลุไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยนะนางก็ตามสามีไปเนี่ยนะก็ติดตามสามีไปก็ได้ไปบวชในสำนักของภิกษุนีก็เป็น พระอาหารหันต์เนี่ยนะเป็นพระอาหารหันต์เถรีก็เราไปดูนะในจาปาเถรีคถาก็เป็นถ้อยคําที่เขาทะเลาะ ก, กันกับอุปการชีวกนี่แหละเป็ น, เ, ปนเรียกว่าเถรีคถาที่เรืยกวผัวทะเลาะเมียมันะ้ยมาประกาศให้ฟังนะนี่พูดถึงในต่อไปอีกเนี่ยนะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับโปรดพระปัญจวัคคีย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะ